วันนี้เป็นวันเสาร์ที่ยี่สิบก้ามิถุนายนพุทธศักราชสอง2นห้าร้อยหกสิบสองเป็นวันหยุดทำงานของสัตธาญาณโยมพุทธบริษัทเพื่อมีจิตศรัทธามีความเชื่อมีประษาธา ความเลื่อมใสในพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าและในพระอริยสงสามกของพระพุทธเจ้าจึงได้ใช้เวลา ว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีคุณมีประโยชน์เท่ากับพระธรรมคำสั่งคำสอน ของพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสั่งคำสอนเป็นรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงรสแห่งธรรมก็คือรสของความสุขของความเจริญทางจิตใจรสแห่งการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่สัตว์โลกทุกชนิด ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะต้องพบกันจะต้องเห็นกันจะต้องเจอกันไม่มีวันที่จะหลีกเลี่ยงไม่มีวันที่จะหลุดพน้นจากความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในสังสารวัฏนี้ไปได้เลยนอกจากผู้ที่ได้พบได้ยินได้ฟัง พระธรรมคําสั่งคําสอนอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าแล้วน้อมนําเอาไปปฏิบัติด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสุปฏิปันโนอุจุปฏิปันโนยะปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนเมื่อมีการศึกษา ที่นำไปสู่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับการหลุดพ้นจากสังสารวัฏคือพบของการเวียนว่ายตายเกิดที่มีอยู่สามพบด้วยกันได้แก่การมาพบ ภพของมนุษย์และเทวดารูปภพภพของพรหมอรูปภพภพของอรูปภพ ม, ม์ก็จะเป็นผลตามมาตามลำดับจากการได้ยินได้ฟังได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานคือการหลุดออกจากกองทุกแห่งการเวียนว่ายตายเกิด mm hmm. ก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับลำดับที่หนึ่งก็คือลำดับของพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะหลุดจาก การไปเกิดในอบายจะไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ต้องไปเกิดเป็นเดลฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตเป็นอ ส, สุรกายไม่ต้องไปตกนรกถึงแม้ว่าในอดีตชาติเคยสะสมบาปกรรมมามากน้อยเพียงไรก็ตาม แต่พอมีดวงตาเห็นธรรมบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าสงสอนให้บรรลุได้จิตก็จะหลุดพ้นจากการที่จะต้องไปเกิดในอบายแต่ยังจะติดอยู่ในกามภพคือภพของมนุษย์หรือเทวดา ไปอีกไม่เกินเจ็ดพบเป็นอย่างมากนี่คือการหลุดพ้นขั้นที่หนึ่งของผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบที่เรียกว่าสุปฏิปันโนจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ขั้นที่หนึ่งคือหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายและถ้ายังต้องกลับมาเกิด ก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดภพเป็นอย่างมากภพของเทวดาหรือภพของมนุษย์หลังจากที่ได้บรรลุถึงขั้นที่หนึ่งแล้วพอได้บรรลุถึงขั้นที่หนึ่งพระโสดาบันก็จะมีการปฏิบัติธรรมขั้นต่อไป เพื่อขึ้นสู่ขั้นที่สองของพระอริยบุคคลขั้นที่สองของพระอริยบุคคลก็คือขั้นสกิ ด, ดาคามีผู้ที่ได้ขึ้นสู่ขั้นสกิ ด, ดาคามีก็จะลดจานวนภพชาติที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบเหลือเพียงชาติเดียวจะไม่กลับมาเกิดมากกว่าอีกหนึ่งครั้ง แล้วถ้าได้ปฏิบัติทำต่อไปก็จะได้ขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นของพระอนาคามีขั้นของพระอนาคามีนี้ก็จะทําให้หลุดพ้นจากการที่จะต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไปจะไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะไม่กลับมาเกิดเป็นเทวดาเทวดาอีกต่อไปแต่จะไปติดอยู่ในรูปภพกับอรูปภพคือภพของพรมพรมที่มีรูปและพรมที่ไม่มีรูปเรียกว่ารูปภพและอรูปภพพอพระอนาคามีปฏิบัติธรรมต่อไป ศึกษาธรรมต่อไปก็จะได้บรรลุขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์พอได้ขั้นพระอรหันต์แล้วจิตก็จะหลุดพ้นออกจากรูปภพอรูปภพก็จะหลุดพ้นจากไตภพคือภพที่มีอยู่ในสังสารวัฏคือกามาภพรูปภพและอรูปภพ จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในภพเหล่านี้อีกต่อไปทำไมถึงไม่ควรที่จะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเพราะภพเหล่านี้มีการเกิดแล้วก็ต้องมีการตายตามมาการเกิดนี้ให้ความสุขแต่ความตาย ก็จะดึงเอาความสุขที่ได้หายไปหมดไม่ว่าใครก็ตามถ้ายังเกิดอยู่ในไตรภพอยู่ไม่ว่าจะเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมก็จะต้องพบกับความทุกข์ทั้งนั้นพรหมก็ต้องทุกข์เพราะการไปเกิดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม ก็จะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดพอจิตเสื่อมจากสวรรค์ชั้นพรมก็จะเลื่อนลงมาสู่สวรรค์ชั้นเทพจากสวรรค์ชั้นเทพก็จะเลื่อนลงมาสู่สู่พบของมนุษย์แล้วพอมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาทุกกับเรื่องราวต่างๆอย่างที่พวกเรา ต้องมาทุกกันแล้วก็จะต้องมาทำบุญทำบาปกันเพราะชีวิตของพวกเราต้องดิ้นรนหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้การหาสิ่งต่างๆบางครั้งถ้าไม่สามารถหาได้โดยวิธีสุดจริต ก็จะหาโดยวิธีทุจริตคือหาด้วยการกระทำบาปนั่นเองเพอทำบาปบาปก็จะสะสมไว้ในจิตใจที่จะทำให้จิตใจหลังจากที่ตายจากจากพบของมนุษย์ก็จะต้องไปรับผลบาป ที่ได้ทำไว้ต่อไปก็เลยจะต้องไปเกิดในอบายกันนั่นเองอบายก็มีอยู่สี่ที่ด้วยกันที่ที่หนึ่งเรียกว่าเดลฉานคือที่เกิดของสัตว์เดลฉานทั้งหลายเป็นที่ของผู้ที่ทำบาปด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ว่าเป็นบาป ทำคิดว่าทำเพื่อการอยู่รอดเช่นทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องด้วยการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะไม่ผิดกฎหมายกฎหมายไม่ถือว่าผิดถ้าไปฆ่าชีวิตของสัตว์เดรัจฉานจะผิดต่อเมื่อไปฆ่าชีวิตของมนุษย์ เมื่อทำบาปด้วยความหลงไม่รู้ว่าเป็นบาปโดงจิตเวลาที่ตายไปก็จะไปเกิดเป็นเดรัจฉานต่อไปถ้าทำบาปด้วยความโลภอยากได้มากๆอยากมีมากๆอยากร่ำอยากรวยมากๆทำหมากินโดยวิธีไม่ทำบาปแล้วมันรวยช้ารวยยาก ก็เลยทำด้วยวิธีทำบาปเช่นช่อโกงลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำบาปชนิดต่างๆเมื่อทำแล้วก็จะทำให้จิตใจกลายเป็นเปรตขึ้นมาเวลาตายไปก็จะเป็นเปรตดวงวิญญาณก็จะเป็นเปรตต่อไปถ้าทำบาปด้วยความกลัว ตายไปก็จะไปเกิดเป็นอสูรละกายถ้าทำบาปด้วยความอาฆาตพยาบาทโกรธเกลียดเคียดแค้นจองเวรจองกรรมตายไปก็จะไปเกิดเป็นดวงวิญญาณที่รุ่มร้อนด้วยไฟนรกเรียกว่านรกนี่คือที่ไป ถ้าไปทำบาปในขณะที่เป็นมนุษย์แต่ถ้าไม่ได้ทำบาปทั้งสี่ข้อนี้ทั้งสี่เหตุผลนี้ก็จะไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่ก็ยังจะต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆเพราะว่าใจมีเหตุที่จะคอยดึงใจ ให้กลับมาเกิดในไตภพต่อไปอยู่เรื่อยๆและจะไม่มีวันที่จะหลุดออกจากไตภพนี้ไปได้จนกว่าจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้พอมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ก็จะมีแสงสว่างแห่งธรรมนั่นเอง แสงสว่างแห่งธรรมก็คือความรู้ที่จะสอนสัตว์โลกที่ติดอยู่ในไตรภพนี้ให้รู้จากวิธีหลุดออกจากไตรภพหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในกามภพในรูปภพและในอรูปภพพอมีแสงสว่างแห่งธรรม มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเผยแผ่อยู่ในโลกนี้ผู้ที่ได้ยินได้ฟังได้เกิดมีศรัทธามีความเชื่อว่าเป็นความคำสั่งคำสอนที่มีคุณค่ามีคุณประโยชน์ต่อจิตใจต่อการสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายของจิตใจ ก็จะน้อมนําเอาไปปฏิบัตินพอปฏิบัติแล้วผลที่ได้แสดงไว้ในเบื้องต้นก็จะปรากฏขึ้นมาคือบรรลุเป็นพระอริยบุคคลสี่ขั้นด้วยกันขั้นที่หนึ่งคือขั้นพระโสดาบันหลุดพ้นจากการเกิดในอบายไม่ต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปและจะกลับมาเกิดในกามภพ คือพบของมนุษย์หรือเทวดาไม่เกิดเจิดครั้งเป็นอย่างมากพอได้บรลุ ข, ขั้นที่สองขั้นพระสะกิดาคามีก็จะกลับมาเกิดในการมาพบอีกเพียงหนึ่งครั้งเป็นอย่างมากพอได้ขั้นที่สามขั้นพระอนาคามีก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดในการมาพบอีกต่อไป จะไม่มาเป็นมนุษย์ไม่เป็นเทวดาแต่ยังจะไปเกิดในภพของพรหมที่มีอยู่สองระดับด้วยกันคือรูปพรหมกะกับอรูปพรหมแล้วถ้าปฏิบัติต่อไปก็จะบรรลุ ถ, ถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระอรหันต์พอได้ถึงขั้นที่สี่ก็จะหลุดพน้น จากการติดอยู่ในภพทั้งสามอย่างสิ้นเชิงจะไม่ต้องกลับมาเกิดมาแกมาเจ็บมาตายในภพต่างๆเหล่านี้ต่อไปเมื่อไม่มีการเกิดทุกข์ก็ย่อมหมดไปทุกข์ย่อมหมดไปสำหรับผู้ที่ไม่เกิดเท่านั้นตราบใดที่ยังมีการเกิดอยู่ สาปนั้นก็ยังจะมีทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายตามมาเสมอไปนี่คืออนิสงส์ประโยชน์ของการที่เข้าหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นมงคลอย่างยิ่ง ต่อชีวิตพระพุทธเจ้าทรงแสดงมงคล38ไว้ในมงคลละสูตรและมงคลข้อที่สำคัญที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งและข้อที่สองข้อที่หนึ่งท่านแสดงว่าอาเซวนาจบารานังแปลว่าอย่าคบสมาคมกับคนง่คนไม่ฉลาด คนไม่รู้ธรรมเรียกว่าคนผ่านอาเซวนาจบาลานังอย่าไปคบกับคนที่ไม่รู้ธรรมะคนที่ไม่เชื่อธรรมะคนที่ไม่เชื่อบุญเชื่อบาปคนที่ไม่เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดเรียกว่าเป็นคนผ่านแล้วข้อที่สองให้คบบัณฑิต เซวนาบัณฑิตานันจะเซวนานี่คือข้อที่2ข้อที่หนึ่งเซวนาจะบาลานังข้อที่2 ja, บัณฑิตานันจะเสวนาบัณฑิตาก็คือบัณฑิตบัณฑิตก็คือผู้รู้ผู้ฉลาดใครเรียนหนังสือจบนี้เราจะเรียกเขาว่าเป็นบัณฑิต มหาวิทยาลัยต่างๆนี้จะมีประสิทธิ์ประสานปริญญาให้แก่บัณฑิตนักศึกษาเพราะว่าได้ศึกษาได้เรียนรู้วิชาความรู้ต่างๆผู้ที่ได้รู้ความรู้ต่างๆก็มีชื่อว่าบัณฑิตแต่บัณฑิตในพวกพุทธศาสนานี้มุ่งไปสู่บัณฑิตที่รู้ธรรมะ บรรดุบัณฑิตที่รู้ธรรมะก็บุคคลสี่ระดับนี้เองคือพระอริยบุคคลสี่ระดับพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอารหันต์พระพุทธเจ้านี้ก็คือพระอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอารหันตในพระพุทธศาสนานี้มีสองชนิดด้วยกัน ชนิดที่หนึ่งก็คือพระอาหารหันต์ตัมมาสามพุทธเจ้าคือผู้ที่ตัดรู้เป็นพระอาหารหันต์ด้วยด้วยตนเองโดยที่ไม่มีใครมาสั่งมาสอนให้เป็นพระอาหารหันต์ก็คือพระพุทธเจ้าของพวกเหล่านี้เองสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงศึกษาหาทางสู่การหลุดพ้น หาทางสู่การบรรลุเป็นพระอารหันต์ไม่มีใครรู้จักการเป็นพระอารหันต์ว่าเป็นอย่างไรพระพุทธเจ้าก็เลยต้องศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจนในที่สุดก็คงส่งค้นพบว่าต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นเองสุ ป, ปฏิปันโนปฏิบัติดีลุชุ ป, ปฏิปันโน ปฏิบัติตรงยายะปฏิปันโนปฏิบัติเพื่อการสิ้นสุดของความทุกข์สามีจิตปฏิปันโนปฏิบัติอย่างถูกต้องพอได้ทรงค้นพบการปฏิบัติสี่ละสี่ชนิดนี้ก็สามารถที่จะบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาได้ด้วยตนเอง นี่คือพระอาหารหันต์ชนิดที่หนึ่งคือพระอาหารหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ที่ปฏิบัติธรรมด้วยตนเองจนหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏพระอาหารหันต์ชนิดที่สองในพระพุทธศาสนานี้เรียกว่าพระอาหารหันต์ตสาวก คำว่าสาวกนี้แปลว่าผู้ฟังนั่นเองผู้ฟังผู้ศึกษาจากผู้รู้ถ้าไปศึกษาจากผู้ไม่รู้ก็จะไม่มีวันรู้แต่พอมีผู้รู้คือพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แล้วผู้รู้ทางสู่การหลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏ พอไปศึกษาจากผู้รู้คือพระพุทธเจ้าก็จะได้เรียนรู้วิธีที่จะปฏิบัติให้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พอปฏิบัติได้สำเร็จก็จะได้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์เหมือนกับพระพุทธเจ้าพระอาหารหันต์นี้แปลว่าผู้สิ้นกิเลส ผู้สิ้นการเวียนว่ายตายเกิดเพราะกิเลสเป็นผู้พาให้จิตใจเป็นไปเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเพอไม่มีกิเลสก็ไม่มีผู้นําพาจิตใจให้ไปเวียนว่ายตายเกิดได้อีกต่อไปพระอรหันต์นี้เราจึงเรียกว่าคือผู้สิ้นกิเลสผู้หมดกิเลสพระพุทธเจ้าหมดกิเลสได้ด้วยตนเอง ไม่มีใครสั่งใครสอนเพราะไม่มีใครรู้จึงเรียกตนเองว่าพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ผู้ที่ศึกษาจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติจนสาเร็จเป็นพระอาหารหันตขึ้นมาก็จะไม่เรียกตนเองว่าเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเรียกตนว่าเป็นพระอาหารหันตสาวกนั่นเอง คือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าศึกษาธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเข้าใจอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็น้อมนำเอาไปปฏิบัติพอปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์จิตก็หลุดพ้นในที่สุด บรรลุเป็นพระอาหารหันตสาวกขึ้นมานี่คือพระอาหารหันต์ในโลกในศาสนาพุทธนี้จึงมีอยู่สองชนิดด้วยกันชนิดที่หนึ่งคือพระอาหารหันตสัมมาสามพุทธเจ้าชนิดนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นนอกกนั้นเป็นพระอาหารหันตสาวกทั้งหมด เพราะว่าทุกคนที่จะเป็นพระอาหารหันต์ได้ต้องอาศัยการได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถึงแม้ในสมัยนี้ถ้ามีใครศึกษาถ้ามีใครบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาถ้าจะมาเรียกตนเองว่าบรรลุได้ด้วยตนเองก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าในยุคนี้ในสมัยนี้ ยังมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่นั่นเองลองได้ยินได้ฟังคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำเอาไปปฏิบัติถึงจะบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้นี่คือพระอาหารหันต์ในพระพุทธศาสนาจึงมีสองแบบสองชนิดด้วยกัน พระอาลัยตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีได้เพียงคนเดียวนอกนั้นจะเป็นพระอาลัยตสสาวกทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นสาวกหรือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็เท่ากันเหมือนกันสิ้นกิเลสเหมือนกันใจสะอาดบริสุทธิ์ปราศจากกิเลสปราศจากความทุกข์ทั้งหลายเหมือนกัน ต่างตรงที่ชื่อที่เราไปตั้งเท่านั้นเองเหมือนฝาแฝดมีลูกฝาแฝดสองคนจะตั้งชื่อเดียวกันเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเรียกใคร ก, ก็เลยต้องเรียกจันทร์กับอินอินกับจันร์ฝาแฝดคู่แรกของประเทศไทยแฝดสยามก็คืออินกับจันทร์นั่นเองถ้าไปเรียกฝาแฝดทั้งสองว่าอิน ก็เดี๋ยวไม่รู้ว่าพูดถึงไข่กันนะอันนี้เป็นเพียงชื่อเท่านั้นเองแต่เป็นฝาแฝดเหมือนกันทุกอย่างหน้าตาเหมือนกันทุกอย่างป้าอรหันทั้งสองแบบนี้ก็เหมือนกันทุกอย่างหลุดพ้นจากอบายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกันถึงพรนนิพพานเหมือนกันไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดเหมือนกัน ต่างตรงที่ชื่อเท่านั้นเองที่มาที่ไปไม่เหมือนกันพระอาหารหันตสตัสมาสามพุทธเจ้ามาด้วยตนเองเป็นพระอาหารหันต์ได้ด้วยตนเองส่วนพระอาหารหันตสาวกนี้ต้องรอมีพระพุทธเจ้ามาสั่งมาสอนถึงจะเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้อย่างพวกเรานี่ถ้าอยากจะเป็นพระอาหารหันต ก็ต้องรอให้มีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นมาในโลกนี้ซึ่งพวกเราถือว่าโชคดีมากเพราะเราได้มาเกิดในยุคที่ยังมีคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในโลกนี้ถ้ามาเกิดในยุคที่ไม่มีคำสั่งคำสอนเราจะไม่มีวันที่จะไปเป็นพระอาหารหันตสาวกได้เลย ถึงแม้จะมีความปรารถนาอันแรงกล้าก็จะไม่มีผลที่จะทำให้เป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้นอกจากมีความสามารถแบบพระโพธิสัตว์เท่านั้นที่จะสามารถเป็นพระอาหารหันต์ขึ้นมาได้ด้วยตนเองดังนั้นการที่เราได้มาเกิดในยุคที่มีพระธรรมคำสั่งคำสอนนี้ จึงถือว่าเป็นโชคคาลาอันมหาศาลพอการได้เป็นพระอาหารหันต์นี้ยิ่งใหญ่กว่าการได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินยิ่งใหญ่กว่าการที่ได้เป็นมหาเศรษฐียิ่งใหญ่กว่าการได้เหรียญโอลิมปิกเหรียญทองโอลิมปิกร้อยเหรียญพันเหรียญความยิ่งใหญ่นี้ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่ กว่าการที่ได้เป็นพระอาหารหันต์ดังนั้นชาตินี้เรามีโชคมีวาสนามีโอกาสที่ได้จะได้คว้าชาัยชนะอันยิ่งใหญ่มาเป็นของเราได้เพราะเราตอนนี้มีครูมีอาจารย์มีบัณฑิตที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเข้าหาเนี่ยบัณฑิตในพระพุทธศาสนา ก็คือพระพุทธพระธรรมหรือพระสงฆ์นั่นเองตอนนี้พระพุทธท่านไม่อยู่แล้วท่านก็ฝากตัวท่านไว้ในพระธรรมคำสั่งคำสอนของท่านคำสั่งคำสอนของท่านที่ได้มีการจดบันทึกเอาไว้ในพระไตรปิฎกนี้เป็นบันดิตเหมือนกับตัวพระพุทธเจ้าเองถ้าไม่ได้เจอตัวพระพุทธเจ้า แต่เจอพระไตรปิฎกก็ยังถือว่าได้พบกับพระพุทธเจ้าอยู่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราพระพุทธเจ้าทรงตัดไว้ถ้าอยากจะเห็นพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปที่ประเทศอินเดียไปก็รับรองได้ว่าไม่เห็นไปอินเดียก็ไปเห็นแต่ซากประลักหักพังที่ครั้งหนึ่งในอดีต พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่เช่นถ้าไปลุมพินีก็จะไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าตัดที่ประสูตรของพระพุทธเจ้าที่เกิดของพระพุทธเจ้าถ้าไปพุทธคยาก็จะไปเห็นที่พระพุทธเจ้าตัดจารุใต้โคนต้นโพถ้าไปที่ป่าอิสิปะตะนาะ ก็จะได้ไปเห็นที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระธรรมเป็นครั้งแรกถ้าไปที่พระพุทธเจ้าตายไปก็จะเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตายไปแต่จะไม่มีวันเห็นตัวพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นชาวพุทธเราอย่าหลงประเด็นอย่าคิดว่าการไปอินเดียนี้ จะทำให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทางที่จะไปพาให้เราได้เห็นพระพุทธเจ้าการไปอินเดียนี้ไปเพื่ออะไรการไปอินเดียนี้ไปเพื่อเสริมศรัทธาสร้างศรัทธาให้แก่ผู้ที่ไม่มีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ยังไม่เชื่อยังไม่มั่นใจว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีจริงหรือไม่เนี่ย ถ้าไปอินเดียพระพุทธเจ้าบอกถ้าไปที่สังเวชนะสังเวชนียสถานทั้งสี่สถานนี้จะทำให้เกิดศรัทธาความเชื่อขึ้นมาได้ตอนต้นอาจจะลังเลสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่พระธรรมคำสั่งคำสอนนี้ส่งแสดงไว้จริงหรือไม่ถ้าได้ไป ที่สังเวชนียสถานสี่คือที่ประสูดที่ตัดสารุที่แสดงธรรมครั้งแรกและที่เสด็จดับขันธปาลนิพานก็จะมีสิ่งมายืนยันว่านี่เป็นของจริงนะที่ที่เหล่านี้เป็นที่มีที่พระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาประทับอยู่อันนี้ การไปอินเดียนี้ไม่ได้เป็นการไปหาพระพุทธเจ้าเพราะไม่เจอถ้าจะไปหาพระพุทธเจ้าจะผิดหวังการไปอินเดียนี้ให้ไปเห็นสถานที่ที่ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่นั่นเองถ้าได้ไปแล้วก็จะทำให้เชื่อมีศรัทธาขึ้นมาว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นของจริงไม่ใช่เป็นนิยายเหมือนที่เขา ขายกันหรือเอามาแสดงเป็นละครกันอันนี้ไม่ใช่ละครอันนี้เป็นของจริงเวลาที่เราดูละครพุทธประวัตินี่เป็นประวัติอันแท้จริงเป็นของจริงเป็นความจริงไม่ใช่เป็นนิยายที่พูดใดผู้หนึ่งเขียนแต่งขึ้นมานอันนี้คือประโยชน์ของการที่ ได้ไปที่ประเทศอินเดียไปคารวะที่สังเวชนียสถานสี่สถานด้วยกันจะทำให้ถ้ายังลังเลสงสัยไม่มั่นใจว่าพระพุทธเจ้านี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่มีจริงหรือไม่พอไปเห็นรอย ที่พระพุทธเจ้าเคยประทับอยู่น่องรอยที่เคยประทับอยู่มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ยืนยันก็จะได้เชื่อว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงพระธรรมคาสั่งคําสอนก็ต้องมีจริงถ้ามีพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนนี้มาจากพระพุทธเจ้าพระธรรมคาสั่งคําสอนที่ ไ่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ต้องเป็นของจริงเหมือนกันอันนี้เป็นประโยชน์ของการไปเยี่ยมสังเวชนียสถานสีในประเทศอินเดียแต่สำหรับผู้ที่มีความเชื่ออยู่แล้วจะไปหรือไม่ไปก็ไม่มีผลแตกต่างกันเพราะความเชื่อนี้ ไม่จําเป็นที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียเพียงอย่างเดียวถึงจะทําทให้เกิดความเชื่อขึ้นหรือความเชื่อ น, นี้ก็เกิดขึ้นมาได้ด้วยการศึกษาพระธรรมคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่หรือด้วยการได้ยินได้ฟังได้พบกับพระอริยสงสาว ก, ก็ไอ้ถ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกพระอริยสงสาวกทุกลูกก็จะ ยืนยันว่าพระพุทธเจ้านี้มีจริงคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่จะพาให้ผู้ปฏิบัติหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็เป็นของจริงถ้าได้พบกับพระอริยสงสาวกหรือได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกก็จะทำให้เกิดศรัทธาขึ้นมาได้ไม่จำเป็นจะต้องไปประเทศอินเดียก็ได้ เพราะว่าสมัยก่อนสมัยโบราณการเดินทางไปประเทศอินเดียนี้ย่อมเป็นไปได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับชาวพุทธที่อยู่ในประเทศไทยแต่ชาวพุทธเราก็ยังมีศรัท ธ, ธามีความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เพราะว่าได้ยินได้ฟังธรรมได้ศึกษาจากพระไตรปิฎกหรือได้ศึกษาจากพระอริยบุคคล พระพุทธศาสนาที่เข้ามาในประเทศไทยนี้ก็มาด้วยพระอริยบุคคลพาเข้ามานั่นเองมีพระอาหารหันต์สองรูปด้วยกันตามประวัติที่ได้มาจาริกอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ได้เผยแผ่สั่งสอนพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจนปรากฏมีศรัทธามีผู้มีผู้เชื่อมีผู้นับถือ น้อมเอาไปปฏิบัติตามกันและมีพระอาหารหันต์ปรากฏขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาจนถึงยุคปัจจุบันนี้พระอาหารหันต์เหล่านี้ร้อยเกือบร้อยทั้งร้อยเชื่อว่าไม่เคยไปอินเดียเลยไม่เคยไปสั ง, สงเวชนะ้ยสถานสี่เลยเท่าที่ได้ศึกษา ประวัติของครูบาอาจารย์ต่างๆตั้งแต่หลวงปู่มั่นลงมานี่ไม่มีองค์ไหนที่ไปสังเวชนีสถานสี่ท่านมีพระพุทธธรรมประสงค์ที่ท่านศึกษาจากครูบาอาจารย์ต่างๆหรือจากหนังสือตำรับตำราต่างๆ ท่านก็เลยเชื่อไม่ต้องจำเป็นที่จะต้องไปที่ประเทศอินเดียเพื่อยืนยันความเชื่อให้เกิดขึ้นพอท่านเชื่อแล้วท่านก็จะมีวิริยะคือความภาคเปลี่ยนมีความยินดีฉันทะที่จะศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเชื่อในผลที่จะปรากฏขึ้นมานั่นเอง ในมรรคผลนิพานในการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆหลุดพ้นจากการไปเกิดในอบายหลุดพ้นจากการมาเกิดในกามภพหลุดพ้นจากการมาเกิดในรูปภพหลุดพ้นจากการมาเกิดในอรูปภพเนี่ยพอท่านรู้ว่านี่คือผลที่จะตามมาฉันทะคือความยินดี ความอยากจะปฏิบัติก็ปรากฏขึ้นมาในใจพอมีความยินดีมีความอยากปฏิบัติทีนี้วิริยะมันมาเองความภาคเพียนมันมาเองไม่ต้องบังคับไม่ต้องไม่ต้องถูถ่ายพอรู้ว่าถ้าทำแล้วจะได้หลุดพ้นจากความทุกข์นี้ผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ ก็จะมีความขวนขวายขึ้นมาเองไม่ต้องมีใครมาฉุดมาลากมาคอยผลักมาคอยดันแต่ถ้ายังไม่มีศรัทธานี่จะยังไม่แม้จังจะไม่มีความมั่นใจไม่มีความแน่ใจว่าเอ๊มีจริงหรือเปล่าพระพุทธพระธรรมพระสง์ ปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะหลุดพ้นจากการเวียนว่าตายเกิดได้จริงหรือเปล่าอันนี้เมื่อยังมีความลังเลสงสัยมีความไม่แน่ใจความยินดีที่จะปฏิบัติก็จะไม่มีความยินดีที่จะศึกษาก็จะยังไม่มาแต่ถ้าได้ศึกษาได้เรียนรู้จากผู้ที่รู้จริงเห็นจริง เช่นพระอาหารหันตสาวกหรือพระธรรมที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกถ้าตั้งใจเรียนจริงๆนี้รับประกรันได้ว่าจะต้องเกิดความเชื่อขึ้นมาอย่างแน่นอนจะต้องเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งทรงสอนนี้เป็นความจริงทั้งนั้นจะเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติทั้งนั้น เมื่อเกิดความเชื่อแล้วทีนี้รู้แล้วว่าการที่จะทำให้ผลต่างๆปรากฏขึ้นมาก็ต้องเกิดจากการนำเอาไปปฏิบัติเท่านั้นถ้ายังไม่ปฏิบัตินี้ยังไม่ได้ผลเพราะว่าการศึกษานี้เป็นเหมือนกับการดูแผนที่นั่นเองเวลาที่เราจะเดินทางไปที่ที่เราไม่เคยไปเราก็ต้องดูแผนที่ก่อนว่า ที่ที่เราต้องการไปนี้ไปเส้นไหนไปสายไหนไปทางไหนพอเรารู้แล้วถ้าเราไม่ออกเดินทางเราก็จะไม่มีวันไปถึงสถานที่ที่เราต้องการจะไปได้พอเรารู้แล้วว่าที่ที่เราต้องไปต้องไปทางนี้ไปเส้นนี้เราก็ออกเดินทางกันไป พออกเดินทางเดี๋ยวไม่นานก็จะถึงจุดหมายปลายทางอย่างแน่นอนนี่คือการปฏิบัติการปฏิบัติก็คือการออกเดินทางแต่ก่อนที่จะออกเดินทางได้ต้องรู้ก่อนว่าจุดหมายปลายทางที่เราต้องการจะไปนี้ไปเส้นไหนไปทางไหนนั่นเองจุดหมายปลายทางที่เราต้องไปก็คือต้องการหลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏในตายพบเราก็ต้องรู้ว่าทางที่จะไปนี้ทำอย่างไรถึงจะพาให้เราไปถึงจุดหมายปลายทางนั้นได้เมื่อเราศึกษาเราก็จะได้รู้ว่าทางที่จะทาให้เราได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนั้นก็คือมรรคมรรคแปลว่าทาง มักที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ก็มีอยู่สองแบบด้วยกันแบบที่ท่านสอนให้กับพระกับแบบที่ท่านสอนให้กับญาติโยมต่างกันเหมือนกับถนนที่มีสองเลนมีเลนไว้สำหรับรถที่วิ่งช้ากับมีเลนไว้สำหรับที่รถวิ่งเร็ว รถวิ่งเร็วก็ให้วิ่งเลนขวารถวิ่งช้าก็ให้วิ่งเลนซ้ายทำไมรถถึงวิ่งช้าเพราะว่าอาจจะเป็นรถบรรทุกที่ต้องรับข้าวของภาละเยอะๆหรือรถโดยสารที่ต้องคอยจอดว่ารับส่งผู้โดยสารก็จะไปวิ่งเลนขวาไม่ได้ต้องวิ่งไปในเลนซ้ายก่อน พอเดี๋ยวต้องจอดแวะรับคนนั้นรับคนนี้เดี๋ยวต้องจอดแวะส่งข้าวส่งของที่นั่นที่นี่ก็เลยต้องมีสองเลนด้วยกันทางที่จะไปสู่การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดของศาสนาจึงต้องแบ่งเป็นสองเลนเหมือนกับถนนที่เราใช้กันในปัจจุบนันนี้เดี๋ยวนี้เขาจะแบ่งไว้เป็นสองเลนอย่างน้อยถ้าไม่สองก็สามหรือสี่ แต่เลนช้านี้เขาจะสั่งให้ชิดซ้ายเสมอส่วนพวกที่วิ่งเร็วนี้ก็จะให้ไปชิดขวาพระกับโยมก็เหมือนกันพระนี้เป็นเหมือนรถที่ไม่มีบรรทุกผู้โดยสารไม่มีบรรทุกข้าวของ มีแต่คนขับกับคนนั่งคนสองคนเท่านั้นเองไม่มีความจําเป็นที่ต้องคอยจอดคอยแวะตามเส้นทางไม่เหมือนกับรถโดยสารรถตู้รถบัสหรือรถบรรทุกเนี่ยจะต้องคอยแวะคอยจอดอยู่เรื่อยๆมรดของคารวะญาติโยมกับมรดของพระเลยไม่เหมือนกันแต่ก็มีส่วนเหมือน แล้วก็มีส่วนที่ไม่เหมือนส่วนที่ไม่เหมือนก็คือทานมรรคของนิคลาวาทญาโยมนี้มีอยู่สด้วยกัน4ข้อด้วยกันข้อที่1เรียกว่าทานข้อที่สองเรียกว่าศีลข้อที่สมเรียกว่าสมาธิข้อที่4เรียกว่าปัญญา แต่ทางคารวะนี้ขั้นที่ข้อที่สข้อที่สท่านจะรวมกันเรียกว่าภาวนาแทนของคาวาะญาติโยมเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนก็จะสอนให้ทําทานรักษาศีลให้ภาวนาภาวนาก็คือให้ทําใจให้สงบเป็นสมาธิแล้วก็ให้สอนใจให้ฉลาด <c oughs> เป็นปัญญาเหมือนกันแต่สาหรับ ผู้ที่เป็นนักบวชนี้พระพุทธเจ้าก็สอนศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นไม่ได้สอนให้ทาทานเพราะว่าทาทานผ่านไปแล้วนั่นเองนักบวชทุกคนนี้จะต้องทำทานก่อนถึงจะบวชได้จะต้องสละทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองสละครอบครัวสละสามีสละภระรยาสละลาบยศสละเสริน ต่างๆไปให้หมดถึงจะไปเป็นนักบวชได้เป็นพระได้เป็นพระภิกษุได้พอพระภิกษุเป็นพระภิกษุแล้วก็ไม่มีอะไรจะทําทานอีกแล้วเงินก็หมดแล้วครอบครัวก็ไม่มีแล้วทรัพย์สมบัติก็ไม่มีแล้วเมื่อไม่มีแล้วก็ไม่ต้องทําทานพระภิกษุจึงไม่มีหน้าที่ทําทาน มีแต่ขอทานมีหน้าที่คอยขอทานคอยบิณฑบาตขอทานเลี้ยงทีบเลี้ยงปากเลี้ยงทองด้วยการขอทานบิณฑบาโตโปรดสัตว์แต่ไม่มีหน้าที่ไปหาเงินมาทำบุญทำทานอันนี้ไม่ใช่หน้าที่ของพระภิกษุถ้ามาบวชแล้วมามีตั้งเป้าว่าจะมาหาเงินหาทอง เพื่อไปสร้างโรงพยาบาลสร้างโรงเรียนสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์อันนี้ผิดหน้าที่ผิดเป้าหมายของการเป็นนักบวชการเป็นนักบวชนี้ต้องการมาปฏิบัติทำรร ม, มาปฏิบัติมรรคมาเดินตามทางที่จะนําไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ก็คือมาปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่ถ้าหลังจากที่ปฏิบัติจนถึงเป้าหมายแล้วถึงจุดหมายปลายทางแล้วบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วที่นี้มีศรัทธาญาติโยมอยากจะร่วมทำบุญถวายเงินทองต่างๆก็สามารถที่จะเอาเงินทองที่ได้จากศรัทธาญาติโยมนี้ ไปทำทานต่อได้แต่มันมาเองไม่ได้ไปหามันเงินทองต้องให้มันมาเองมาด้วยอำนาจของธรรมที่ท่านได้บรรลุถึงพอเรารู้ว่าภาพรูปนี้เป็นบาราหานี้ก็อยากจะไปทำบุญกับท่าน พอไปทาบุญกับท่านท่านก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรเงินดับความทุกข์ไม่ได้แล้วท่านก็ไม่ต้องการไม่ต้องใช้เงินมาดับความทุกข์ท่านก็เลยเอาไปทำประโยชน์แก่โลกต่อไปเรียกว่าสงเคราะห์โลกคกูบาอาจารย์แต่และองค์ ông, ท่านก็จะสงเคราะห์โลกตามอัตยาศัยของท่านไม่เหมือนกันทุกองค์บางองค์ท่านก็สงเคราะห์โลกด้วยการสร้างโรงพยาบาล บางองค์ก็สร้างโรงเรียนบางองค์ก็สงเคราะห์ผู้ยากไร้แล้วแต่กรณีของแต่ละองค์แล้วแต่เหตุการณ์หรือบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านบางทีท่านก็ ไปเกี่ยวข้องกับผู้ที่ยึ่ยากไร่ก็ไปช่วยเหลือผู้ยากไร่พอไปเกี่ยวข้องกับหมอก็ไปช่วยโรงพยาบาลพอไปเกี่ยวข้องกับครูอาจารย์ก็ไปช่วยโรงเรียนอันนี้เป็นไปตามอัธยาศัยอันนี้ไม่ได้ถือเป็นงานของพระอันนี้เป็นงานแถมงานที่ เมื่อเรียนจบแล้วสำเร็จแล้วไม่รู้จะทำอะไรอยู่เฉยๆงานงานที่ตามมาหลังจากบรรลุก็คืองานสั่งสอนอันนี้เป็นงานของพระอาหารหันต์ทั้งหลายของผู้บรรลุทั้งหลายมีหน้าที่เอาธรรมะที่ได้เรียนรู้นี้มาสั่งสอนให้แก่ผู้อื่นแต่เมื่อสั่งสอนแล้วผู้ที่มาฟังเทศฟังธรรมก็เกิดศรัทธา อยากจะปฏิบัติตามที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติก็คือให้ทำทานนั่นเองศรัทธาญาติโยมยังมีหน้าที่ทำทานอยู่พอได้ฟังเทศน์ฟังธรรมก็เกิดสัตธาอยากจะปฏิบัติทานศีลภาวนาขึ้นมาก็เลยบอยจากเงินทองให้กับพระที่แสดงธรรมให้ฟังพระท่านรับมาท่านก็ พอมีมากมากท่านก็เอาไปทำประโยชน์ให้กับเบื้องต้นก็ทำประโยชน์ให้กับศาสนาก่อนเพราะศาสนานี้เป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในบรรดาองค์กรต่างๆที่ต้องการความช่วยเหลือเพราะถ้าไม่มีศาสนาจะไม่มีพระพุทธธรรมพระสงฆ์หลงเหลืออยู่ในโลกนี้นั่นเองดังนั้นสิ่แรกท่านจะมุ่งไปก็คือการ ทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนาก่อนเช่นวัดวาอารามต่างๆขาดแคลนอะไรขาดแคลนที่อยู่อาศัยก็ไปสร้างกุฏิที่อยู่อาศัยขาดแคลนเครื่องใช้ไม้สอยก็ไปหามาให้ขาดแคลนอาหารบิณฑบาตก็ส่งอาหารไปวัดปฏิบัติบางวัดนี้ท่านอยู่ไกลจากความเจริญอาหารการกินนี้ไม่ค่อยสมบูรณ์ กุบาอาจารย์เวลาท่านไปเยี่ยมท่านมักจะขนอาหารแห้งข้าวหวานต่างๆไปให้เพื่อที่จะได้เสริมอาหารที่ได้จากบินทบาทจากชาวบ้านผู้ที่ยากจนชาวบ้านที่อยู่ในถิน่นทุรกันดา น, นี้ไม่ค่อยมั่งมีไม่ค่อยมีอาหารใส่บาตรเหมือนกับชาวบ้านที่อยู่ตามบ้านตามเมืองครบาอาจารย์ท่านรู้ว่า สำนักไหนวัดไหนเป็นสำนักที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบท่านก็จะคอยส่งสเบียงไปให้คอยส่งอาหารข้าวหวานของของที่เก็บไว้ได้นานไปแล้วเวลาบินทบาตอาหารไม่พอเพียงก็อาศัยสเบียงที่ส่งไปให้นี่คือหน้าที่อันแรกของพระที่หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ทำหน้าที่คือเผยแผ่สั่งสอนธรรมะแล้วมีศรัทธาญาติโยมอยากจะถวายเงินทองต่างๆให้ท่านก็จะใช้เงินทองไปในการทำประโยชน์ขั้นต้นก็มุ่งไปที่พระาศาสนาก่อนพระาศาสนาขาดแค่นอะไรก็ทำนุบบำรุงไปตามพอสมควรต่อเหตุต่อผล เมื่อพรศาสนาพอเพียงแล้วไม่เดือดร้อนแล้วสามารถผลิตพระอริยบุคคลได้อย่างต่อเนื่องแล้วขั้นต่อไปก็ถ้ายังมีเหลืออยู่ก็ไปสงเคราะห์โลกต่อไปแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์สมัยที่หลวงตาสงเคราะห์โลกยุคแรกๆท่านสงเคราะห์ชาวบ้านก่อนชาวบ้านที่ท่านไปบิณฑบาตด้วย เขาขาดน้ําท่านก็ทําที่เก็บน้ําให้ขาดอาคารเรียนก็สร้างอาคารเรียนให้ต่อมาท่านก็ไปรู้จักกับหมอหมอก็ขาดแคลนเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆขาดแคลนเลือดพยาบาลขาดแคลนอาคารรักษาผู้ป่วยท่านมีเงินทองที่ได้จากการทําบุญทําทานของศรัทธาญาติโยมท่านก็นําเอาไป ทำประโยชน์ต่อไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์แพทย์ต่างๆเพื่อสงเคราะห์โลกให้โลกอยู่กันอย่างพาสุขแล้วต่อมาก็มีปัญหาทางชาติขาดชาติไปเป็นหนี้เขาประเทศไปเป็นหนี้ ต้องมีเงินไปจ่ายต้องมีเงินไปเสริมท่านก็เลยมาช่วยชาติด้วยการบริจาคเงินและทองคำเข้าสู่คลังหลวงให้ครังหลวงมีเงินสำรองเพื่อที่จะได้มีเครดิตในการที่จะใช้หนี้ที่ติดอยู่ได้ถ้าไม่มีทองสำรองไว้เขาจะไม่เชื่อเครดิตเดี๋ยวเขาจะมายึดประเทศไปเขาจะมายึดทรัพย์สมบัติ ที่มีอยู่ในประเทศไทยแต่ถ้าเรายังมีทองคำเก็บไว้ในคลังหลวงอยู่สแสดงว่าเรายังไม่แจ้งยังไม่สิ้นเนื้อประดาตัวเขาก็เลยใจเย็นๆรอเก็บหนี้จากเราไปได้โดยที่ไม่ต้องมายุตรัพ์นี่คือทำไมจึงมีการทำผ้าป่าช่วยชาติกันช่วยเพื่อให้ประเทศเราอยู่รอด ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของเจ้านี้คือประเทศที่ร่ำรวยกว่าเรานั่นเองเ อ, อันนี่คือเรื่องการทำทานของพระออท่านทำหลังจากที่ท่านเสร็จภารกิจของท่านแล้วออท่านไม่มาทำตอนที่ท่านยังต้องทำภารกิจของท่านอยู่ ตอนที่ท่านทำภารกิจถ้าไปศึกษาดูประวัติของแต่ละพระแต่ละองค์นี้ไม่มีใครมาทำทานเลยมีแต่เข้าป่าเข้าเขามีแต่ไปฆ่ากิเลสฆ่าตัณหาด้วยการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาด้วยการปฏิบัติทุดลงขวัตข้อต่างๆจนในที่สุดกิเลสตัณหาที่พาให้ไปเวียนว่ายตายเกิดนี้ถูกทำลายหมดสิ้นไปจากใจลนะ ใจไม่มีวิการที่จะไปเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปหลังจากนั้นท่านก็มีเวลาว่างก็เอาเวลาว่างนี้มาเผยแผ่ธรรมะให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไปแล้วพอผู้มาฟังทมได้ยินได้ฟังว่าถ้าอยากจะไป สู่การหลุดพ้นก็ต้องทำทานรักษาศีลภาวนาก็เลยมีการทำทานกับผู้ที่แสดงธรรมทำกับวัดทำกับพระสงฆ์ตามมาอันนี้ต้องให้มันมาของมันเองอย่าไปหาเงินเพื่อที่จะมาทำประโยชน์สงเคราะห์โลกอันนี้จะผิดหน้าที่จะหลงทาง เพราะว่าจะทำให้ผู้ที่จะต้องการหลุดพ้นจะไม่ได้มีวันหลุดพ้นถ้าตนเองยังไม่หลุดพ้นแล้วมัวแต่มาหาเงินทองมาทำผ้าป่าเพื่อที่จะมาสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์แพทย์หรือสงเคราะห์โลกด้วยวิธีการต่างๆทำไปถึงแม้จะได้มามากมายก่ายกองแต่จะไม่สามารถทำให้ผู้ทานี้หลุดพ้นจาก การเวียนว่ายตายเกิดได้เลยจะเสียเวลาเสียโอกาสอันมีค่าเพราะถ้าตายจากโลกนี้ไปแล้วครั้งหน้ากลับมาเกิดใหม่อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ศาสนาของเรานี้มีอายุไขนะัยเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎอนิจจังจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไป ตามคาพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าก็คือประมาณ 5,000 ปีหลังจาก 5,000 ปีไปแล้วจะไม่มีใครรู้จักพระพุทธศาสนาจะไม่มีใครเอาพระธรรมคาสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้ามาเผยแพร่สั่งสอนอีกต่อไปดังนั้นตอนนี้เรามีพระธรรมคําสอนมีผู้นำทาง เรารีบใช้ผู้นำทางนี้พาเราไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์กันดีกว่าอย่ามัวมาแต่หาเงินหาทองมาเรียลายแจกซองเพื่อไปอสร้างโบท์สร้างเจดีย์สร้างเมนสร้างอะไรต่างๆอันนี้อย่าทำการทำทานนี้ให้ทำในในส่วนที่เรามี ญาติโยมมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เอาเงินที่เหลือกินเหลือใช้นี้ไปทําฐานเพื่อจะได้ทําให้ใจไม่ต้องมาติดกับเงินทองนั่นเองเพราะผู้ที่จะไปบวชได้นี้จะต้องยินดีสละเงินทองให้หมดถ้ายังมีความยินดีที่จะมีเงินทองยังอยากจะใช้เงินทองอยู่จะไม่มีวันที่จะไปบวชได้ จึงต้องหัดสอนญาติโยมให้รู้จักปล่อยวางเรื่องเงินทองก่อนอย่าไปยึดติดเงินทองมากเกินความจำเป็นมีได้มีไว้สำหรับเลี้ยงปากเลี้ยงทองได้แต่อย่ามีไว้สำหรับเลี้ยงกิเลสตัณหาเพราะเลี้ยงกิเลสตัณหาก็เท่ากับการเลี้ยงภพเลี้ยงชาติให้มันมีมากขึ้นไปนั่นเอง keine. เงินทองนี้มีหน้าที่เลี้ยงปากเลี้ยงทองแต่ไม่มีหน้าที่เลี้ยงกิเลสตัณหา เงินทองที่เหลือนี้จากการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องนี้ต้องเอาไปทําทานให้หมดเนี่จะได้ไม่มีเงินมาเลี้ยงกิเลสตัณหาแล้วกิเลสตัณหาก็จะได้น้อยลงภพชาติก็จะได้น้อยลงนั่นเองพอเราทําบุญทําทานอยู่เรื่อยๆไม่ยึดติดกับข้าวของเงินทองต่อไปเราก็ไปบวชได้เพราะว่าเราไม่ต้องใช้เงินใช้ทองเรา ก็อยากจะไปปฏิบัติธรรมไปทาขั้นที่สองคือศีลและขั้นที่สามคือภาวนาได้นี่คือเรื่องของทางสู่การหลุดพ้นมีอยู่สองเลนด้วยกันเลนช้ากับเลนเร็วถ้าเป็นคาลาวาสญาติโยมยังต้องขนของที่บรรทุกอยู่บนรถทิ้งไปให้หมดผู้โดยสารก็ทิ้งไปให้หมด ไปรถเป่าๆไปคนเดียวเอจะได้ไปอย่างรวดเร็วจะได้เข้าเลนขวาได้ถ้ายังบรรทุกข้าวของทรัพสมบัติเข้าของเงินทองยังบรรทุกครอบครัวลูกเต้าสามีภรรยาอยู่โอ้ยอย่างนี้ไปไม่ได้เนี่ยต้องทําทานไปให้หมดต้องสละไปให้หมดพอสละแล้วที่นี่เหลือแต่รถเปล่าๆเลาหลือแต่คนขับทีนี้เหมือนรถสปอร์ตเหมือนรถแข่งเนาะ นี้ก็เข้าเลนขวาได้มุ่งไปสู่การปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาได้พอเข้าเลนขวาแล้วแป๊บเดียวก็ถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้ารับประกันเลยไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีรับรองได้ว่าจะต้องหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอย่างแน่นอนแต่ถ้ายังอยู่เลนซ้ายอยู่นี้ไม่ส่งรับประกันไม่ส่งรับประกันว่าจะหลุดเมื่อไหร่ จะหลุดได้ต้องหลุดจากเลนซ้ายไปสู่เลนขวากันต้องออกจากช่องช้าไปสู่ช่องเร็วให้ได้ก่อนการจะเข้าช่องเร็วได้นี้ต้องขนย้ายสัมภาระทิ้งใบให้หมดมีของบรรทุกอยู่ในรถมีคนบรรทุกเชิญลงไปให้หมดขอไปคนเดียว นั่นแหละถึงจะไปถึงดูประวัติของผู้ที่ไปถึง ท, ท่านไปคนเดียวท่านเอาใครไปด้วยหรือเปล่าไม่มีหรอกไม่มีใครเอาลูกเอามีวไปนิพพานด้วยทุกคนต้องไปเองใครอยากจะไปนิพพานนี้ต้องไปเองเอาเพื่อนไปไม่ได้ตัวใครตัวมัน น, นี่คือเรื่องของการมาวัดในวันหยุดของพวกเรามาหาบัณฑิตมาหาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่จะสอน วิธีที่จะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงที่จะพาให้เราได้ไปสู่ความสุขที่ไม่มีวันสิ้นสุดความสุขที่ถาวรคือความสุขของพระนิพพานเก็จากการที่เราใช้เวลาว่างในวันหยุดนี้มาศึกษามาปฏิบัติธรรมก็ขอให้ท่านพยายามทํากันไปให้เต็มที่ แล้วผลต่างๆที่เลิอดที่ประเสริฐก็จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุรปาปริปุลเนติสะกลัง เอวเมวะิโตทินังเปตานังอุปกักปติอิจทิตังปฏทิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพอปุเรนตตสังกปาจันโทปนะราโยถามณีจดีราโสยถาสพปิติโยวิวาจจันโต สัพพะโรโควินาทสัตวมะเตภวะตวันตารายุสุขิทีขายุโกภวะอภิวันนาสีฤทสานิจังวุฒาปจายโนจตารวธรรมวัฏานติอายุวันุสุขังภาลัง วนนี้เข้ามาเท่าไหร่ทาง f a c e b o o สาม5้อยห้าคนครับ y o u t u ร้อยเจ็สิบแปดคนครับวิทย์ออนไลน์สาสิบสองคนครับผู้รัฟังบนเขาร2อยิบสี่คนครับรวมทั้งหมดห3ร้อยสาสิบเก้าคนครับพระอาจารย์ต่อไปนี้เป็นช่วงถามคำถามใครอยากจะถามอะไรขอเชิญถามในช่วงนี้เลย อย่าถามหลังจากที่เราเลิกประชุมแล้วนะถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้าอยากจะถามเองก็ขึ้นมาที่ศาลาแล้วจะส่งใหม่ไปให้ในเบื้องต้นนี้ก็เอาคำถามจากทางบ้านไปก่อนก็แล้วกันถ้ามีคำถามฝากถามค่ะคำถามแรกเวลาสวดมนต์อ่านหนังสือไม่ออก แต่เป็นคนชอบทําบุญจะได้บุญได้กุศลไหมคะคือบุญมันมีหลายอย่างเหมือนกับอาหารมีหลายชนิดด้วยกันอาหารแต่ละชนิดก็มีรสชาติไม่เหมือนกันบุญแต่ละชนิดก็มีประโยชน์ไม่เหมือนกันดังนั้นก็ได้ทําบุญทําทานก็ได้บุญอย่างหนึง่งได้ประโยชน์อย่างหนึง่งไหวพระสวดมนต์ก็ได้ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ง ไม่เหมือนกันแทนกันไม่ได้เหมือนข้าวมาแทนกับไม่ได้กินข้าวแล้วก็ต้องมีกับมีกับแล้วก็ยังต้องมีขนมนมเนยมีของหวานมีผ ล, ลไม้เพราะว่าอาหารแต่ละชนิดจะทำหน้าที่ไม่เหมือนกันบุญแต่ละชนิดก็ทำหน้าที่ไม่เหมือนกันทดแทนกันไม่ได้อเชิญถามต่อ พูดใกล้ๆปากนยเสีย ง, งดังๆ่อยครับผมเป็นปัญหาที่เพิ่งเกิดครับผมคือแม่ผู้เป็นเรียกว่าเป็นคนที่ผมรักมากพอเพลินว่าถ้ามีความคิดว่าตัวท่านเองอคิดถูกทุกอย่างโดยที่ไม่ฟังคำทัดทานจากผู้เป็นสามีและลูกๆครับผมก็เลยมีสองเรื่องคือเรื่องแรกคือ เรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องของการติดการบนันนันครับผมซึ่งไม่สามารถบอกท่านได้เลยแล้วทำไมนะไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันครับเพราะว่าก็อบอกไม่ได้ก็เหมือนคนหูหนวกนะหูหนวกก็บอกได้ปะคนไปบอกคนหูหนวกได้ปะไม่ได้ครับไม่ได้ครับถือว่าเขาเป็นคนหูหนวกก็แล้วกันใช้ทำยังไงขเขาไม่ฟั ง, งไม่ฟังก็เหมือนกับหูหนวก มันเป็นปัญหาที่มันเป็นผลทบทุกอย่างจริงๆครับผมแล้วไม่มีวิธีทางในการแก้ไขให้ใหมันดีขึ้นซึ่งซึ่งปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นบ่อยจนจนเคยกลับมาดีครั้งหนึ่งแล้วก็กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกก็จะไปขังคุกไว้เลยกักขังไว้ในห้องอหรือว่าถ้าให้เงินก็ให้เงินพอกินพอใช้อย่าให้เงินไปเล่นการพนัน ออผมขอขยายความเพิ่มนะครับคือด้วยความที่ว่าอแม่แกเป็นคนรักพี่น้องเยอะเยอะมากๆโดยที่ไม่ได้มองว่าอน้องๆทำทําอะไรผิดพลาดไว้บ้างก็คือว่าคิดว่าน้องดีหมดทุกอย่างอแล้วก็กลายเป็นว่าอสิ่งที่ทางทางผมทางพ่อทางพี่สาวเนี่ยอทัดทานไปว่าออย่าทํา ท่านไม่ค่อยจะเชื่อฟังเลยครับเรื่องแบบนี้ก็เราไปขัดใจ เ, าเ้าหน่อยลองใครมาขาัดใจเราเราก็เหมือนกันนะจริงๆแล้วพ่อผมค่อนข้างที่จะเป็นเหมือนเป็นเป็นเขยที่บ้านใช่ไหมครับหมายถึงว่ามาอยู่บ้านบ้านเมียใช่ไหมครับด้วยความที่ว่าต้องออรับรู้เกี่ยวกับความทุกข์ยากของครอบครัวของฝั่งแม่ผมโดยที่มีญาติเยอะมากแถวบ้านแล้ว เป็นต้นเหตุหนึ่งที่ทําให้พ่อผมรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่ทุกคนต่างมาเข้ามาขอความช่วยเหลืออืมอาจจะเรียความที่ว่าเขาเขาอาจจะได้บ่อยได้ทุกครั้งที่เวลาขอเข้ามาจนทําให้แบบว่าทุกคนเริ่มติดนิสยัยเริ่มไม่มีความคิดที่จะทำอะไรด้วยตัวเองอืจนปัญหาเนี้ยมันเกิดขึ้นบ่อยและซ้ํำซากจนคือผมไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรคิดว่าคงอยจะสุดท้ายคือคงจะต้อง ปล่อยให้เขาดำเนินชุดเขาไปเองเอราะฉนั้นเกษตรทำอะไรไม่ได้แล้วจะทำยังไงทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยแต่คือคือสุดท้ายครับมันมาโดนที่ผมไงผมสึกว่าผมต้องทำงานด้วยด้วยความที่มีเอ่อกังวลต่อสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกังวลเพราะอะไรนะเพราะว่าผมเป็นคนที่อ่อทำอะไรได้วยใจตลอดก็ผมคือว่าสร้างแรง ผลักดันใ ห, ให้ตัวเองว่าตัวเองก็ต้องก้าวหน้าโดยที่ข้างหลังผมอะ่ะจะต้องมีความสุขแต่คือสิ่งที่ผมได้ยินคือพ่อแม่ทะเลาะกันเรื่องของพี่น้องเรื่องของคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่สบายใจเวลาเวลาฝนตกฟ้าร้องเราไม่สบายใจหรือเปล่ามันก็เหมือนกันเรื่องของคนอื่นก็เหมือนเรื่องของฝนตกฟ้าร้องมันไม่เกี่ยวกับเรเลย เราไปห้ามเขาได้ที่ไหนไปหยุดเขาได้ที่ไหนก็ทำไมเราอยู่กับฝนตกฟ้าล้องได้ก็อยู่กับคนที่เขาทำอะไรของเขาไปก็เรื่องของเขาไปนั่นเองเรายาวตัวเราไปแบกเขาความทุกของเราเราไปแบกเขาเราอยากจะไปให้เขาดีพอเขาไม่ดีเราก็เลยทุกใจนันเเหมือนอยากจะไปเปลี่ยนเขาใช่ไหมครับเขาเป็นกล้วยอยากจะไปเปลี่ยนให้เป็นส้มใช่ไหมฮะเปลี่ยนได้หรือเปล่า ก็ไม่ได้ครับผมจะทํางไงคือเออผมก็พอจะเข้าใจคําตอบที่ทีพายอาจารย์ให้มานะครับคือผมคิดไว้ก่อนแล้วว่าคําตอบที่ได้ก็คงประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วว่าผมเหมือนเหมือนต้องการให้ให้ผมกับกับสิ่งที่ผมคิดอ่ะมันมันทําให้ผมดีขึ้นกว่านี้เพราะว่าผมมองว่าชีวิตผมอ่ะถ้าเกิดได้ยินได้ฟังเรื่องแบบเนี้ยตลอดแล้วเราอ่ะจะเดินไปยังไงโดยที่ข้างหลังเรายังทุกข์อยู่อะไรอย่างเงี้ย คุณต้องหัดทำใจตอนนี้ปัญหาของคุณคือทำใจไม่เป็นทำใจเฉยไม่เป็นถ้าจำใจเฉยเป็นแล้วก็สบายฝนตกฟ้าร้องก็สบายคนเขาจะดีจะชั่วก็เราก็สบายไม่เกี่ยวกับเราเท่าไหร่มาหัดทำใจนะพุทธโธพุทธโธ <laughs> น้อยจะสบายใจ นี่ยไม่เห็นคุณค่าของพุโทโธเนี่ยถ้าพุโทโธเป็นแล้วสบายกายจะเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไย่าไปหย่างก็เป็นสม้มหรือไม่คาถามฝากถามที่สองค่ะเวลานั่งสมาธิชอบง่วงนอนแต่เวลาไม่นั่งสมาธิไม่ง่วงนอนค่ะเกิดจากอะไรเจ้าคะ อเวลานั่งสมาธิมันไม่มีอะไรมากระทุ้งใจนะเวลาดูหนังนี่มันไม่ง่วงพอามีเรื่องมาคอยกระทุ้งใจอยู่เรื่อยๆพอนั่งสมาธิมันไม่มีเรื่องมันก็เลยง่วงขึ้นมาวิธีแก้ง่วงก็คืออย่านั่งสิเดินสมาธิแทนนั่งสมาธิไม่ได้ก็เดินสมาธิไปก่อนเดินจงกรมเราเรียกว่าเดินสมาธิเดินไปก็พุโทโธพุโทโธไปอย่างนี้จะไม่ง่วง เดินไปจนก่ามันหายหายง่วงหรือเดินกว่ามันจะเมื่อยอยากจะนั่งแล้วค่อยกลับมานั่งใหม่ถ้ามันยังง่วงอยู่ก็ลุกไปใหม่วิธีที่สองที่ที่จะมาเสริมแก้ความง่วงก็คือกินให้มันน้อยหน่อยสิถ้ารังหิวแล้วมันนอนไม่หลับแล้วมันไม่ง่วงอยากกินให้มันอิ่มกินพอดับความหิวก็พอเรกินไปทักจานงรู้สึกก็ไม่หิวแล้วก็หยุดกินอย่าไปกินให้มันอิ่ม วิธีให้มันอิ่มแบบไม่มีโทษก็ดื่มน้ําเข้าไปแทนดื่มน้ำเข้าไปสักแก้วสองแก้วนี้เออิ่มท้องเลยแล้วเดี๋ยวมันก็พอมันฉี่ออกแล้วมันก็หายมันก็จะไม่มาทําให้ง่วงแต่ถ้ายังกินไม่อิ่มแล้วกินต่อชามหนึ่งยังไม่อิ่มเอาสองสองยังไม่อิ่มเอาสามนี่พออิ่มแล้วทีนี้โอ้โหมันหนักท้องมันแน่นท้องมันตึงไปหมดพอหนังท้องตึงหนังตามันก็เริ่มหย่อนนะ อย่าไปทําให้หนังท้องมันตึงมากเกินไปหนังตาจะได้ไม่หย่อนกินให้น้อยกินเพราะกินเพื่ออยู่กินเพื่อดับความหิวอย่าไปกินเพื่อให้มันอิ่มคําถามที่สามค่ะเวลานั่งสมาธิรู้สึกว่ามีแมลงมากัดสามารถเกาได้ไหมเจ้าคะจะบาดไหมเจ้าคะ อ, อ๋อถ้าเริ่มนั่งแล้วอย่าไปทําอะไรทั้งนั้น ทำเดี๋ยวต้องทำไปทั้งทั้งตลอดเวลานั่งแล้วไม่ได้ผลเดี๋ยวก็นั่งเกาทันทีนั่งสมาธิแทนถ้ามันขันก็ช่างหัวมันพุทธโธพุทธโธไป ด, ดูลมไปอย่าไปสนใจเชิญถามพูดดังๆใกล้ๆปากอาจารย์คะจะถามว่าเพิ่งหัด น, นั่งสมาธิหรือภาวนา อส่วนใหญ่จะฟังเทศของหลวงตามหาบัวค่ะเลยถามว่าควรจะนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือฟังเทศด้วยค่ะถ้าฟังเทศด้วยมันจะสงบน้อยกว่านั่งสมาธิอย่างเดียวแต่บางทีนั่งสมาธิอย่างเดียวอย่างนั่งไม่ได้ก็ต้องฟังเทศไปก่อนตอนต้นฟังไปก่อนพอฟังแล้วฟังจบแล้วก็นั่งสมาธิต่อไปคําถามจาก facebook ค่ะคําถามจากคุณซอซอ เรียนถามพระอาจารย์ว่าการที่เอาข้าวหรือกับข้าวไม่ว่าจะเป็นผลไม้หรือของหวานถวายให้กับพระพุทธรูปทุกวันนี้จะได้บุญไหมเจ้าคะได้กุศลอย่างไรคะก็เอากับข้าวไปช่างก่อนถวายเลยแล้วช่างเสร็จแล้ว <c oughs> ถวายเสร็จแล้วเอามาช่างใหม่ดูอถ้ามันน้ําหนักลดก็สแสดงว่าได้บุญเพราะพระพุทธพระพุทธลูปได้กินนะใช่ไหม แต่ฐ า, านน้าหนักมันเท่ากันแสดงว่าพระพุทธรูปไม่ได้กินเมื่อไม่ได้กินจะได้บุญตรงไหนนะเรามาเป็นคนกินเองเะนั้นถ้าอยากจะได้บุญหลังจากถวายพระพุทธรูปแล้วก็เอาไปให้ทานต่อให้ชาวบ้านให้คนยากจนให้ขอทานอย่างนี้ก็ยังจะได้บุญอยู่แต่ยาวมากินเองกินเองแล้วไม่ได้บุญกินเองไม่ได้บุญเป็นเล่นยิเกหลอกตัวเอง ทำของไปถวายพระพุทธรูปแล้วก็นั่งรอ น, น้ําลายไหลพอถึงเวลาฉันพระพุทธรูปกินเสแล้วทินนี่ของเหลือเป่็นของฉันแล้วแต่อย่างนี้ก็ไม่ได้บุญหลอกตัวเองเน้นละครเน้นนิเกหลอกตัวเองถ้าอยากจะได้บุญต้องเสียสละของที่เรามีไปไม่ว่าใครก็ได้ ขอให้เขาเอาไปทำประโยชน์ได้ก็เราก็จะได้บุญคำถามจากคุณนอกกี้สวีเดนการปฏิบัติสมาธิพุทโธ5นาทีให้ได้ที่พระอาจารย์เทศแนะนำเมื่อวานเจ้าค่ะอยากทราบว่าต้องปฏิบัติอย่างไรให้ได้สมาธิใน5นาทีเจ้าคะก็ทำด้วยห้านั่ง5นาทีมันต้องมาถามเลยก็นั่งพุทโธไป5นาทีมันมีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีความลึกลับตรงไหนเลย ลองนั่งพุทธโธไปห้านาทีสิอย่าไปคิดอะไรเแค่นั้นเองไม่ทำจะไปรู้เหรอใช่ไหมทำเลยลองนั่งดูพุทธโธุเนี่ยตั้งแต่ตอนนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้เลยก็ได้อดูดนาฬิกาแล้วก็เริ่มพุทธโธไปเลยอย่าไปคิดอย่างอื่นมีแต่พุทธโธคําเดียวในใจถ้ามีอย่างอื่นแทรกเข้ามาก็สแสดงว่าพุทธโธหายแล้วตามแทรกบ่อยๆเดี๋ยวก็ไม่สงบละ อยู่แค่นนัเอ ง, ง, งำถามจากคุณสุขุมานค่ะหากมีความกังวลเนื่องจากบริษัทมีการปรับลดพนักงานและทำงานเข้ากับเจ้านายไม่ได้กลัวโดนจ้างออกและกลัวไม่มีเงินเลี้ยงตัวเองและครอบครัวจะต้องวางใจอย่างไรคะไปหาเพลงเคสลาเซลามาฟังเคยได้ยินไหมเพลงเคสลาเซลาะ Whatever will be, will be. คำถามจากคุณสุรศักดิ์ค่ะกลับผมลืมภาวนาพุทโธบ่อยจึงเอาความทุกข์ในกายในใจเป็นเพื่อนกับพุทโธพอเกิดความทุกข์เกิดขึ้นความร้อนใจเกิดขึ้นก็คิดว่านี่แหละเพื่อนพุทโธมาแล้วก็ภาวนาพุทโธจนรู้ว่า ทุกขเวทนาเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นในตอนนั่งสมาธิก็มีทุกขเวทนาเป็นเพื่อนกับพุทโธบางครั้งนั่งได้หนึ่งชั่วโมงบางครั้งสองชั่วโมงเวลาทุกขเวทนามากๆจนจะไม่ไหว ผมก็นั่งจี้ไปที่เวทนาจนเวทนาเบาบางลงจึงบริกรรมพุทโธต่อทำไปเรื่อยๆจนเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันมีทุกขเวทนาเข้ามาก็เฉย ๆ, ๆแบบนี้ผมทำถูกไหมครับถูกแล้วเนะี่ยถ้าเราอยู่กับทุกขเวทนาได้เราก็สบาย ต่อไปเจ็บไข้ได้ป่วย ป, ปวดท้องปวดหัวก็ไม่ต้องกินยาก็ได้กินพุโทโธแทนพุโทโธพุธโทโธไปธรรมโอสถธรรมโอสถนี้วิเศษยิ่งกว่าโอสถต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้โอสถ ด, ดีขนาดไหนมันก็ยังดับความทุกข์ใจไม่ได้แต่ถ้ามีพุโทโธแล้วความทุกข์ใจหายหมดความทุกข์กายก็เหลือนิดเดียวความทุกข์กายมันไม่มากอ่ะที่มันมากเพราะความทุกข์ใจ พอลดความทุกข์ใจได้ความทุกข์กายที่มีอยู่ก็เลยไม่รู้สึกรุนแรงแต่อย่างใดงั้นทาอย่างนี้ไปทุกครั้งที่เจอทุกขเวทนาก็ใช้พุทโธไปไม่ต้องไปวิ่งหาหมอหายาให้เสียเวลาแต่ถ้าจําเป็นต้องไปก็ไปไม่ได้ห้ามเพราะบางทีมันไม่หายก็ต้องหาหมอแต่รักษาพยาบาลเบื้องต้นก็พุทโธไว้ก่อนไม่ต้องไปวุ่นวายไม่ต้องไปทุกข์กับมัน แล้วก็เดินทางไปหาหมอไปแต่ถ้ามันหายโดยที่ไม่ต้องหาหมอก็ไม่ต้องไปเพราะโรคบางอย่างมันหายเองเป็นแล้วก็หายเองอย่างเช่นนั่งเจ็บแล้วปวดอย่างนี้เดี๋ยวพอเปลี่ยนอริยาบทมันก็หายเองอย่างนี้ไม่ก็ไม่ไม่ต้องไปก็ได้คา <c oughs> ถามจากคุณแ t มค่ะแฟนคิดจะไปบวช เหมือนจะบวชตลอดไปดิฉันควรวางใจอย่างไรดีคะใจจริงก็อนุโมทนาแต่คิดเรื่องการงานที่จะต้องทำคนเดียวคะ่ะก็ต้องเตรียมแผนไว้สิเมื่อรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็ต้องปรับตัวเราปรับแผนเมื่อถ้าเขาตายไปมันก็มันเราจะทำอย่างไรเขาตายไปเราก็อยู่คนเดียวอยู่ดีก็มีทางเลือกสองทางหาคนใหม่มาแทนก็ ไ <misery> ม่งั้นก็หัดอยู่คนเดียวไปจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเขาเดี๋ยวหาคนใหม่มาก็จะเป็นแบบเดิมเองเ่ราะเดี๋ยวก็มากังวลเองไงงั้นถ้าไม่อยากจะกังวลก็อัตตาหิอัตโนนาโถดีที่สุดตอนไปที่พึ่งของตอนเพราะพึ่งได้ตลอดเวลาเราพึ่งตัวเราได้ตลอดเวลาเพราะเราอยู่กับตัวเราตลอดเวลาไม่มีวันจากกัน แต่คนอื่นสิ่งอื่นนี้ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีวันจากกันคำถามจากคุณโฮลี่แจนจะฝึกฝนและ พัฒนาสภาวะจิตยอย่างไรเมื่อต้องพบเจอกับผัสาะต่างๆทั้งที่พึงพอใจและมิพอใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผัสษะที่ไม่ยินดีให้จิตเพียงแต่กระทบแต่ไม่สะเทือนเจ้าค่ะก็ฝึกสตินี่ไงฝึกสติมันพุโทโธพุโทโธอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่เริ่มมีผัสษะมาะมาสร้างทำให้เกิดอารมณ์ต้องใช้พุโทโธพุโทโธคอยเบรกมันไว แล้วต่อไปจะเฉยๆกับเหตุการณ์ต่างๆได้ไม่ว่าจะรักหรือจะชังจะชอบหรือไม่ชอบคําถามจากคุณปานิสาค่ะธรรมะอะไรเป็นหนทางสู่การเป็นโสดาบันเจ้าคะก็ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยต้องมีทั้งสามถ้าเป็นฆร า, าวาสก็ต้องมีทานด้วยทําทานรักษาศีลภาวนาฆร า, าวาสก็เป็นโสดาบันได้ พระก็เป็นได้เพียงแต่ว่าช้าเร็วต่างกันเป็นพระก็จะเร็วอยู่เลนขวาเป็นคาราวะาก็ช้าหน่อยอยู่เลนซ้ายก็ยังไปถึงจุดหมายปลายทางได้เหมือนกันแต่ช้าหน่อยคำถามจาก YouTube ค่ะคนเราก่อนจะนอนหลับจิตจะตกพวัง แต่ผู้ที่ตายไปแล้วมีแต่วิญญาณจะไม่มีการนอนแล้วแสดงว่าวิญญาณไม่ตกผวังแล้วใช่ไหมครับถ้าใช่แสดงว่าการตกผวังเพราะเพราะว่ามีกายหยาบใช่หรือไม่ครับ อ, อ๋อไม่ใช่หรอกการตกภวังก็เพราะว่าจิตมันมันสงบมันก็ตกผวังเนี่ยจิตเวลาไหนมันขี้เกียจคิดขึ้นมามันก็สงบมันก็ตกผวังได้ของมันเองก็มี ผวังก็มีสองอันผวังหลับกับพวังรู้ถ้ามีสติก็จะเข้าพวังรู้ก็เรียกว่าสมาธิถ้าไม่มีสติก็จะเข้าพวังหลับฝันไปคำถามจากคุณวชิระวิทย์ข้อแรกการอธิษฐานขอคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุญเก่าที่เราเคยทำให้ช่วยในยามมีวิกฤตอย่างนี้ทำได้ไหมครับ ทำได้แต่ไม่ได้ผลหรอกเพราะว่ามันไม่มันไ ม, ม, นไม่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่เราจะไปขอได้ของเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเหมือนกับฝนฟ้าอากาศเราไปขอมันไม่ได้หรอกขอวันนี้ฝนอย่าตกนะวันนี้ญาติโยมมาฟังธรรมกันเยอะพี่อยากจะตกก็ผ่ตกลงมางั้นอย่าไปอธิษฐานขอในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ทุกสิ่งทุกอย่างนี้อย่าไปขอเพราะไม่แน่นอนขอให้ถูกควยบางทีก็ถูกบางทีก็ไม่ถูกมันไม่ใช่อยู่ที่ขอแล้วไม่ขออยู่ที่ว่ามันจะถูกแล้วไม่ถูกเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุคือถ้าเราเคยทาบุญมาเยอะในอดีตเดี๋ยวบุญก็จะมาค้าจุนเราเองไม่ต้องไปขอเรา แต่ถ้าไม่เคยทำบุญมาก่อนเราไปขอขอยังไงมันก็ไม่มีบุญมาคำจุนเราอะนั้นขอให้เราทำเหตุไว้ก็แล้วกันอย่าไปขอผลขอสร้างเหตุทำบุญทำความดีอะไรต่างๆไว้เดี๋ยวความดีต่างๆก็จะมาช่วยเราถ้ากลัวเรื่องเงินก็เก็บเงินเก็ บ, กบทองไวส้สิพอตกงานก็มีเงินที่เก็บมาใช้ต่อได้ จะมาขอที่ถามว่าขอให้หนูอย่าตกงานเลยขอให้หนูมีเงินใช้ไปตลอดแต่ก็ใช้อยู่อย่างเดียวไม่รู้จักเก็บแล้วมันจะมีเงินมาคำจุนเราตอนที่มันหมดหรือเปล่าไม่มีคำถามที่สองจากคุณวชิรวิทย์ค่ะอยากให้ความเห็นถูกในภพชาตินี้ติดตัวเราไปทุกภพชาติเพื่อการพัฒนาต่อเนื่องเพื่อนิพพานเป็นที่สุดจะต้องทําอย่างไรบ้า ง, างครับก็ต้องเห็นบ่อยๆ เห็นทุกพะยะทุกเวลาหน้าที่มองอะไรก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามองอะไรก็เห็นว่าบาปบุญมีจริงอะไรทํานองนี้ต้องเห็นอยู่เรื่อยๆมันถึงจะจําได้ถ้าเห็นแว บ, บๆแล้วก็ไม่คิดถึงมันเดี๋ยวมันก็ลืมเหมือนบทสวดมนต์นี้ถ้าเราไม่ท่องอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ลืมถ้าท่องอยู่เรื่อยๆมันจําได้เดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดมันท่องได้เร็วกว่าคนอื่นน เพราะมันยังจําได้อยูนั้นอยากจะให้อะไรติดกับใจเราต้องคิดถึงมันอยู่บ่อยๆระลึกถึงมันอยู่บ่อยๆอย่างที่พระเจ้าบอกพิจารณาอยู่เนืองๆให้พิจารณาอยู่เนืองๆคิดอยู่เรื่อยๆแล้วความรู้ที่เราอยากจะให้อยู่คู่กับเราไปมันก็จะอยู่กับเราไปคําถามจากคุณสุบินค่ะลูกนั่งสมาธิถ้าดูลมหายใจพุโทโธพุโทโธบางทีจะเผลอ แต่ตั้งสติกับลมหายใจก็จะสงบจิตจะว่างลูกภาวนาแบบนี้ถูกไหมเจ้าคะไหนที่ได้ผลก็อันนั้นถูกสำหรับเราแต่เราคนไม่เหมือนกั น, นจะไปเปรียบเทียบเ้าทุกคนมาใช้แบบเดียวกันไม่ได้ถ้าเขาใช้พุทโธสงบก็ให้เขาใช้พุทโธไปถ้าเราใช้ลมสงบเราก็ใช้ลมของเราไป คำถามจากคุณหญิงค่ะเวลาเรานั่งสมาธิเราจับความไหวคล้ายหัวใจเต้นจับความไหวหๆ ข, ของร่างกายเราควรจับดูความไหวของร่างกายและใจไปเรื่อยๆไหมเจ้าคะและเวลารู้สึกตัวเราจะจับความไหวคล้ายจังหวะหัวใจเต้นตุบๆเราก็ควรจะดูมันไปเรื่อยๆตลอดไปไหมเจ้าคะ อ, อ๋อไม่ควรหรอควรจะดูลมหลือดูพุโทโธแทนดีกว่า ความมันแน่นอนกว่าไหวๆความร่างกายบางทีมันก็จับได้บางทีก็จับไม่ได้เห็นอย่าไปเอาอย่างอื่นเอาพุโทโธเอาลมหายใจหมดแล้วยังอีกคำถามค่ะพระอาจารย์จากคุณวไลพันธ์ค่ะการที่เรานำผลไม้หรือขนมไปไหว้พระพุทธรูปที่บ้านแล้วลาไปใส่บาตรจะผิดไหมเจ้าคะ ไม่ผิดหรอกทั้งได้ทั้งนั้นเนี่ยพระท่านไม่สนใจหละจะถวายใครไปไหว้ใครมาก่อนแล้วจะมาใส่บาตรขอให้อาหารไม่บูดก็ใช้ได้ทั้งนั้นได้บุญเหมือนกันแต่ไม่ต้องไปเสียเวลาไปไหว้พระพุทธรูปให้เสียเวลาหรอกเพราะมันไม่ได้อะไรไปใส่บาตรเลยดีกว่าอาหารจะได้สดๆร้อนๆไม่ตั้งไว้ให้มันแห้งจืดชืดแล้วก็ไปใส่บาตรนั่น